บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปคาว่ามุนีซึ่งแปลว่าผู้รู้นั้นในทางประพุทธศาสนาทรงแสดงไว้เป็นลำดับขึ้นไปซึ่งหมายความว่า ท่านผู้ใดก็ตามที่มีความรู้ในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากความรู้นั้นสามารถลดละบรนเ่ากิเลสให้เจอจางลงไปในชั้นใดชั้นหนึ่งท่านผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามุนีในระดับหนึ่งดังนั้นท่านจึงกล่าวท่านผู้รู้ในเรื่องต่างๆเอาไว้เป็นนั้นมากเช่น รู้ขันรู้ธาตุรู้อรยตนะรู้อินทรีย์รู้สัจจะหรืรู้ในธรรมะกลุ่มที่เราเรียกว่าพูติปกักจยธรรมมีสติปัฏฐานสี่สมาปัฏฐานสี่อิทิบาท4อินทรีย์ห้าพระห้าโพชฌงเจมักมีองค์แแต่และท่านนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นมุนีในฐานะนั้นนั้น แม้ว่าองค์ธรรมจะมีการจาแนกแสดงออกไปโดยพิสดารก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วเมื่อท่านพูดปฏิบัติได้รู้ในส่วนใด ส, ส่วนหนึ่งก็จะรู้ในส่วนอนื่นๆตามขึ้นไปด้วยเพราะความเกี่ยวเนื่องถึงการแห่งธรรมะเหล่านั้นจะพอะในที่นี้จะได้ยกตัวอย่างความรู้ในขันท้าขึ้นมา ขันห้านั้นเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วก็มีการจําทรงสืบต่อกันมาแต่ถ้ามองในแง่ของความสุดเนื่องที่มุ่งผลในทางประพฤติปฏิบัติแล้วการรู้ขันห้าที่เรียนรู้กันในจึงปริยัติตยังไม่เป็นการเพียงพอเพราะเมื่อบุคคลประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นห้า ก็ยังเกิดความทุกข์ความโศกความทุกไรรำพันความครับแคนงใจความเสียใจยเป็นต้นๆความรู้ในชั้นนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มผูนให้มากยิ่งขึ้นจนอยู่ในจุดที่บรรเทาละสงบระงับดับกิเลสได้ดังกล่าวแล้วดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติซึ่งต้องถือว่าโดยในยะหนึ่งประสงแสดงวิธีการเอาไว้ เป็นนั้นมากเรทรงสอนให้บุคคลรูข้ขันห้าแต่ละขอ้อคือรู้รูปความเกิดของรูปความดับของรูปซึ่งก็หมายความว่าจะต้องรู้ตลอดทั้งกระบวนการของรูปรูปนั้นโดยสภาวะที่แท้จริงก็มันเป็นสิ่งที่ไม่มีมาก่อน จำนวนธรรมะท่านเรียกว่าเป็นอภาวะคือความไม่มีมาก่อนแต่เพราะอาศัยเหตุปัจจัยรูปเหล่านั้นก็เกาะกลุ่มกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างในกรณีของคนของสัตว์ก็มีเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมและส่วนที่เป็นนมามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้นก็คือการ ที่มันดาบิดามีตระ두มารดาบิดาร่วมกันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่เป็นรูปรธรรมส่วนประกอบที่เป็นนามรธรรมก็คือสิ่งที่สงใช้คำวมคันทัพโผมาถือปฏิสนธิแอ้คำวมคันทัโพนั้นที่จริงก็เป็นที่รวมของส่วนนามรธรรมซึ่งได้แก่กิเลสกรรม อิเล็กตรเป็นตัวการสำคัญที่สร้างให้เกิดเป็ น, ป, นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมานำให้ไปเกิดในกาเนิดต่างๆซึ่งข้อนี้ท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับมเมล็ดพืชเมื่อได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ก, ก็จะแตกหน่อขึ้นมาได้แต่ถ้าหากขาดองค์ประกอบใดอย่างหนึ่งแล้วออกก็เกิดขึ้นไม่ได้คือหมายความว่าอาจจะมีมะเมล็ดพืช จะได้อุณหภูมิที่ไม่เกือ้อกูลต่อการงอกแกก็งอกไม่ได้หรืออุณหภูมิที่เกือ้อกูลต่อการงอกแต่มะละพืชนั้นเสียไปแล้วก็งอกไม่ได้เหมือนกันจะต้องอาศัยองค์ประกอบสองอย่างนี้จึงจะมีการแตกหน่อขึ้นมาได้ชนใดก็ดีบุคคลและสัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นวันแล้วแต่เกิดขึ้น จากองค์ประกอบติวันริยบเหตุปัจจัยหากว่าองค์ประกอบเหล่านั้นขาดไปความเป็นรูปคนรูปสัตว์ก็เกิดขึ้นไม่ได้พภ า, าสัม bara ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็มีลักษณะอย่างนั้นเริ่มต้นมาจากความไม่มีแต่สายปัจจัยภายนอกคือความมีอยู่ของวัสดุต่าง ที่แปรสภาพกันมาหลายชั้นแล้วหรื อ, อยังเพิ่งแปลสภาพก็ตามแต่วัสดุดเหล่านั้นที่จริงแกก็ไม่มีอยู่เดิมเหมือนกันก็มาเกาะกลุ่มการเกิดขึ้นและอาศัยส่วนที่เป็นนามธรรมาคือความคิดเจตนาของบุคคลที่อาศัยความรู้ในเรื่องนั้นๆและอาศัยความเพียรพยายามของมนุษย์ ก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้บังเกิดขึ้นมาได้รือบางครั้งบางคราวการเกิดขึ้นของรูปร่างกายคนนั้นก็ทรงแสดงโดยประยายหนึ่งคือ น, นัยยะหนึ่งเป็นทรงแสดงว่าอ า, อาศัยวิชาตันหาอุปาทานกรรมแล้วก็อาหารเป็นการสร้างรูปให้บังเกิดขึ้นได้ลหล่อเลี้ยงรูปให้ดำรงอยู่ ผลการดำรงอยู่ของรูปในแต่ละขณะบุคคลก็จะมองเห็นว่าก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอวิชาตันหากรรมนั้นคงมีอยู่แต่รูปได้รับการปลนปลื้จากลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้ที่เรียกว่ากายสังขารคือสภาพที่ปรนปลื้หล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงอยู่แต่ในขณะเดียวกันรูปก็ต้องอาศัยอาหาร ที่บุคคลรับประทานเข้าไปบ้างโดยเข้าไปโดยวิธีอื่นบ้างเพราะอาหารนั้นมีอยู่ถึงสีชนิดด้วยกันที่ตันจะแนกแสดงออกไปเป็นอาหารที่บุคคลกลืนให้ผ่านลำคอเข้าไปอาหารที่เกิดขึ้นจากการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นซึ่งเรามักพูดกันว่าอาหารตาอาหารหูบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการสัมผัส ถูกต้องก็ให้เกิดเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงเป็นความชื่นอกชื่นใจขึ้นมาบางครั้งก็เกิดขึ้นจากมโนสันเจตนาคือใจที่เป็นเดี๋ยวนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็นำผลคือความปลืม้มปีติเิออิ่ ม, มใจเป็นต้นให้บังเกิดขึ้นเหล่านี้ก็เป็นอาหารที่เราเลี้ยงให้รูปดำรงอยู่ถ้าหากว่ารูปขาดอาหาร ถ้าขาดไม่นานรูป ก, ก็ดำรงอยู่ได้เพราะลมหายใจยังเป็นหลักอยู่แต่ถ้าลมหายใจขาดรูป ก, ก็ดำรงอยู่ไม่ได้เนี่ก็คือการดำรงอยู่ของรูปซึ่งที่จริงแล้วเป็นการดำรงอยู่ชั่วขณะถ้ากระแสของลมหายใจขาดในขนาดใดขนาดหนึ่งความแตกดับของรูป ก, ก็เกิดขึ้นชีวิตของบุคคลเราจึงอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง ระหว่างความมีชีวิตกับความแตกสลายของชีวิตความตายจะปรากฏเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครจะรู้ได้บางครั้งบางคราพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ะสงแสดงให้เห็นที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือมองแล้วก็เห็นภาพเข้าใจง่ายพระทรงยกอุปมาสมัยนั้นว่าเหมือนคนเลี้ยงโคที่นำนำโคไปสู่ที่หากินตุครั้ง โคย่างเท้าไปก็จนจะถึงที่นั้นเข้าทุกขณะชั้นใดชีวิตของบุคคลเรานั้นถูกความเกิดส่งเข้าไปสู่ความแก่ความแก่ก็ผลักดันบุคคลเข้าไปสู่ความตายซึ่งเหมือนกาาับเพชฌฆาตที่ถือขวานรอคอยอยู่พร้อมที่จะตัดชีวิตอินทรีหรือชีวิตของบุคคลให้แตกทํำลายลง แต่มเมื่อเหตุปัจจัยแห่งการดํารงอยู่ไม่เสื่อมสลายไปการดํารงอยู่ของรูปก็คงดํารงอยู่แต่เป็นการดํารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกรณีของความเปลี่ยนแปลงนั้นบุคคลอาจจะดูในส่วน ง, ง่ายๆคือองค์ประกอบที่หยาบๆแล้วก็ช่วงสั้นเรื่อความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าออก ที่พรเจ้าทรงเอามาสอนทุกสัสดส่วนของชีวิตทีเดียวสอนในชั้นของกายสังขารคือตัวปรนปลือกายไปบุคคลมองเห็นชีวิตแล้วมีจิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยเห็นว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าชีวิตก็ต้องแตกดับตรง ในโอกาสที่แกจะเป็นเช่นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องเกิดจากการศึกษาในแนวนี้ทำให้บุคคลมีความพร้อมที่จะไปเชิดหน้ากับความจริงแห่งชีวิตซึ่งไม่มีใครสามารถติดเรี่ยงได้แต่ก็แต่เอาก็จริงแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าภายในใจของบุคคลนั้น ท่านแสดงไว้ว่าจิตใจของบุคคลถูกอวิชชาขอหุ้มเอาไว้จึงมีลักษณะหลงดุดจะอยู่ในที่มืดทิศทางต่างๆของบุคคลที่อยู่ในที่มืดไม่ปรากฏแก่สายตาของตนเฉยใจที่ถูกโมหะคือความมุดบอดปิดปังเอาไว้ดวงตาคือปัญญาก็ไม่สามารถที่จะสอดสายไปเห็นสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันฉะนั้น ในการศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนาตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระริเจ้าทั้งหลายนั้นทรงสอ น, นบุคคลพยายามเพิ่มพูนปัญญาให้สูงขึ้นแวกม่านเมฆที่บังปัญญาเอาไว้ออกไปพยายามหาความเข้าใจและความจริงในสิ่งเหล่านี้ให้ได้บางครั้งบางคราวต้องเน้นต้องตอกดำต้องพูดกันบ่อย กการเตือนสติตนเองและเตือนสติบุคคลอื่นอย่างที่นามาสอนเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาเฉพาะนั้นเฉพาะการณีนั้นๆแลวต้องพิจารณากันบ่อยพิจารณาหนึ่งๆพิจารณาสม่าเสมอเห็นใครเห็นคนแก่ก็ต้องนึกถึงเห็นคนตายก็ต้องนึกถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของตนเช่นผมเก่าหลุดร่วงไปผมใหม่เกิดขึ้นแทน ปรากฏผมเงอกขึ้นบนศีรษะหนังส่วนใดส่วนหนึ่งได้เหี่ยวย่นไปความอ่อนเพรียเพวแรงลงสายตาที่พร้ามมัวลงการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ไม่คล่องแคล่วฟองไปเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้นนั้นเป็นการบอกกล่าวบุคคลเข้าใจว่าร่างกายกํบบาลังย่างเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ที่เราเรียกว่าเป็นความแก่ซึ่งเปิดเผยตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้บุคคลพยายามปรับใจยอมรับความจริงส่วนนี้แต่ว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของปริญญาตประธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องกําหนดรู้ไว้ว่าเป็นธรรมดาประการหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ให้บุคคลไปเดือดร้อนกับเรื่อ ง, องนั้นการมันระบังรักษาสุขภาพกายใจนั้นก็เป็นภารกิจประการหนึ่ง แต่บุคคลจะห้ำมไม้ความแก่บังเกิดขึ้นไม่ได้แต่เพราะห้มไม่ได้นี่เองสิ่งที่ขัดแย้งก็คือใจที่ถูกปิดปังด้วยอภิชาดังกล่าวอยู่ในที่มืดจึงไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับก็ต้องพยายามเพิ่มแสงสว่างขึ้นคือปัญญาให้สูงขึ้นพี่ส่งใช้คาว่าอภินิหาปัจเวกขณะ เกิบุคคลยกขึ้นพิจารณาปล่อยๆพิจารณาเนืองเนืองพิูตสมบัตพิจารณาอยู่สมบัเสมอคือทุกครั้งที่มีอารมณ์กระตุ้นจากภายนอกก็ดีมองเห็นสิ่งที่ปรากฏแก่ตัวก็ดีหรือแม้แต่เกิดจะขึ้นจากการเหนียวนึกการตรึกนึกของตนที่ประกอบด้วยกุศลก็ดีให้บุคคลพยายามน้อมนาเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาสิ่งนั้นน้อมสิ่งนั้นเข้ามาหาตน และมองเห็นตนกับสิ่งนั้นอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั้นการพิจารณาที่สวดกันด้วยบทอภินันทปจจเวทขณะถึง่าที่จริงในเชิงของการสวดมันก็สวดง่ายก็จำง่ายแต่ปัญหาสำคัญที่ต้องการพลจริงๆนั้นว่าบุคคลเกิดยอมรับหรือปรับใจยอมรับความจริงในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาหรือไม่ต า, าใจยังไม่ยอมรับก็แสดงว่ายังไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ยังตกอยู่ในที่มืดจุทีนี้จะรู้ได้อย่างไงว่าใจยอมรับก็ดูเวลาประสบกับเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่ตนใจก็ไม่เดือดร้อนเพะเรื่องเหล่านั้น ในส่วนของการแก้ไขก็คือส่วนของการแก้ไขแต่จะไม่ไปยึดไม่ไปถือไม่ไปเร่งผลเลิกไม่ไปมุ่งมาปรารถนาต้องเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้เวลาประสบกับความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นแก่เพียชนคนที่รักก็สงบใจได้ที่ท่านใช้คําสำนวนทางศาสนาอยู่คําหนึ่งว่าปรองท ร, รมาสังเวทคําว่าปรองท ร, รมาสังเวทนั้น คือปรับใจลง ส, สู่สภาวะที่แท้จริงของธรรมะดอมรับความจริงในแง่ของธรรมะลักษณะของความคิดเห็นที่เป็นธรรมสังเวชอย่างเช่นกล่าวที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานตาส ก, กะเทวราชซึ่งเป็นพระยะบุคคลระดับโซดาบันแตการเสียดายก็เสียดาย พระพุทธเจ้านิพานไปใ ค, ใครก็ต้องเสียดายแต่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าตอง น, นิพานแต่นั้นเมื่อ น, นิพานเข้าเขาก็ยืนยันถึงจิตสํานึกของพระโสดาบันที่มองเห็นการแตกทําลายของพระพุทธสริระเป็นท่านเปลง่งเป็นทํานองอุททานขึ้นมาว่าอนนี้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เจี่ยงหนอก อุปนิวัทยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจชติตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นคือการเรียนรู้จากพระพุทธสริระที่ประทรับสงบนิ่งด้วยการตัดถดถอยตั้งมัน่นเป็นการเรียนรู้จากพระพุทธองค์เพียงองค์เดียว แต่ท้าสสกัดก็มองเห็นเป็นสเพสังขาราคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงคนที่ตายไปแล้วก็ดีที่กำลังตายอยู่ก็ดีที่ก ำ, กำลังเคลื่อนไหวมีชีวิตอยู่ก็ดีก็รย่าตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือเป็นของไม่เที่ยงแทน้แน่นอนมีความเกิดขึ้นโดยธรรมดาคือมีเงื่อนไขมีปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิดแต่เมื่อเหตุปัจจัย ที่ใหเกิดไม่มีก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นกระบวนการขธรรมชาติเช่นเดียวฝนตกแดดออกน้ําไหลไฟสว่างเมื่อมีกฎเกณฑ์ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาก็ต้องเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็อย่างกระสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้ะในสู่ก็จบลงด้วยที่ความแตกับแต่ในขณะเดียวกันคนต้องเกี่ยวข้องปลูกพันธ์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีการกําหนดหมายอยู่กับสิ่งเหล่านั้น มีตัวเรามีบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราไม่ญาติพี่น้องของเราเป็นต้นทำอย่างไรจึงจะได้ความสุขความสงบในชีวิตท่านจึงกล่าวคำต่อไปว่าการเข้าไปสงบระงับในสังขารทั้งหลายเสียได้ก็จะเป็นความสุขซึ่งก็หมายความว่า การเรียนรู้ถึงความจริงแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายที่เป็นรู ป, ปรธรรมจึงอาจจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสุดดมด้วยจมูกกลิ้มด้วยลิ้นหรือถูกต้องด้วยกายกร็ตามที่ใจไปเกี่ยวเกาะเอาไว้กับสิ่งเหล่านั้นเป็ของเราเกี่ยวเกาะว่าเป็นเราหรือเกี่ยวเกาะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ว่าจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้น เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเกิดแก่ตายการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็จําเป็นจะต้องอาศัยการปรับใจให้ยอมรับความจริงดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแก่ตนเองจิตก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะความแตกดับซึ่งจะต้องเกิดขึ้นไม่เกิดวันนี้ก็เกิดพรุ่ง น, นี้เกิดวันนี้ก็ดีเหมือนกันจิตใจก็จะมั่นคง ในในกรณีที่จิตมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความตายที่บางเกิดขึ้นส่งผลให้จิตสงบเมื่อจิตสงบก็ส่งผลไปถึงกรรมถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ส่งผลไปถึงกรรมส่งผลไปถึงคติที่ท่านเรียกว่าอาสนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายจิตใจที่มั่นคงนั้นจะเนียวนึกในสิ่งที่เป็นกุศล เมืเ่อนึกได้ในสิ่งที่เป็นกุศลก็ไปเข้าหลักที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อจิตพองแผ่กระหวังได้ว่าจะต้องไปบังเกิดในสุคติเพผลจากการปฏิบัติธรรมะการพิจารณาธรรมะในชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นบุคคลไม่ควรจะมองว่าเป็นเรื่องสูงสําหรับผู้สละแล้วด้วยประการทั้งปวงแท้ที่จริงเรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บุคคลต้องเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตของตน แล้เมื่อเรียนรู้เมื่อเมื่อมีความเข้าใจถึงความจริง้ปรับใจยอมรับความจริงได้ก็นามาใช้ในชีวิตประจำวันของตนในกรณีที่ปรยชาชนคนที่รักหรือของที่รักหรือวัตถุสิ่งของที่กำหนดหมายว่าเป็นของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมสลายไปแตกทำลายไปหรือตายไปก็ทำใจได้ เรียกว่าปรงใจลงสูตรธรรมสังเวเคือเข้าใจกระบวนการของธรรมดาใจก็จะได้หลักอย่างหลักที่นางมานิกาเทวีของพันตุลษเสนาบดีแต่มีความรู้สึกต่อข่าวคราวที่สามีของตนและลูกสาวของตนถูกฆ่า ก็ปรงใจลงได้ว่าสิ่งซึ่งจะต้องแตกทาลายเป็นธรรมดาได้แตกทาลายไปแล้วก็เท่านั้นเองจะโศกหรือก็ไม่รู้จะโศกไปทำอะไรเพราะความโศกไม่สามารถช่วยอะไรได้สิ่งที่แตกทาลายเป็นธรรมดาก็าได้เข้าถึงธรรมดาเขาแล้วหรือจะซ้าเติมตนเองก็ไม่รู้จะซ้าเติมทํทำอะไรก็ซ้ า, าเติมหรือไม่ซ้าเติมเราก็ต้องแตกอีก เราต้องแตกทำลายไปเป็นธรรมดากนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการพินิพิจารณาคือการรู้รูปซึ่งพรจะพุทธเจ้าทรงสอนบางครั้งที่เราใช้เป็นภาษาอาจจะเป็นเทคนิคไปหน่อยคือภาษาเฉพาะเรื่องไปหน่อยแต่ก็มักใช้ทาง ธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าตัดตาเกิดเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างที่มันเป็นเป็นกระบวนการธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่หรวพุทธาเจ้าทรงใช้ทรงเน้นไว้บ่อยในเรื่องนี้คือคำที่ทรงใช้ว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ ไม่่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะการรู้รูปประคันในแนวนี้อาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้รูปประคันของตนหรือรูปประคันของบุคคลอื่นอาจจะเป็นรูปประคันของคนธรรมดาคนป่วยคนคนตายหรือรูปประคันของซากศพก็ตามก็จะเข้าถึงความจริงในส่วนนี้ เป็นการมองจากจุดเล็กๆจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงก็ไปหาส่วนกว้างๆออกไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่จักมีในอนาคตหรือที่จะที่ปรากฏข้างหน้าในปัจจุบัน รูปตอนั้นจะเป็นรูปที่หยาบรูปที่ละเอียดรูปที่เลวรูปที่จุลนิตรูปที่ไกลรูปที่ใกล้ก็ตามในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็คือรูปรูปซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยผลที่เกิดขึ้นจากความรู้รูปในลักษณะนี้จะทําปฏิกริยาต่อจิตเพราะความรู้นั้นเป็นแสงสว่าง แต่จิตถูกคุ้มหอไว้ด้วยวิชาคือความมืดเมื่อแสงสว่างกเกิดขึ้นแก่จิตเหมือนกัะห้องนี้มืดอยู่แสงสว่างมันเกิดขึ้นหมายว่าความมืดต้องหายไปถ้าความมืดยังไม่หายแสดงว่าไม่มีแสงสว่างจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นผลจากความรู้รูปที่ทำให้ผู้รู้เป็นมุนิหรือมุนี ตามที่ท่านแสดงไว้นั้นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตคือแสงสว่างเหล่านั้นจะต้องขจัดความมืดออกไปจากจิตขจัดความยึดจิตในอารมณ์ทั้งหลายลงไปอย่างน้อยที่สุดเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่ารูปอันเป็นที่รักเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่สร้าโศก รูปอันไม่เป็นที่รักเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ชื่นชมยินดีแต่ก็ปรับใจของตนเองให้อย่งเข้าสู่กฎของกา ร, รมัธยคาถาอางคือความรู้เห็นในเรื่องของกรรมอย่างที่สุดอย่างที่สาธยายการว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรร ม, ร ม, รมเป็นกําเนิดเป็นต้นนั่นเองนั้นถือว่าเป็นผลในทางจิตชั้นหนึ่งก็เลยเกิดคุณธรรมอะไรขึ้นมาก็คืออุเบกขา อันเป็นปัญญาระดับหนึ่งที่จะทําให้บุคคลส ง, งบใจอยู่ได้ไม่เกิดดีใจไม่เกิดเสียใจในความแตกดับเหล่านั้นทําไมจึงมีทั้งเสียใจและดีใจเพราะใจของบุคคล น, นั้นไม่มีความมั่นคงเวลาสัตว์สู่แตกดับไปก็ดีใจเวลาคนที่รักไปแตกดับไปก็เสียใจ แต่ปจจัยที่รู้เห็นอย่างกล่าวนั้นจ้าน้อยก็ได้หลักเป็นอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่ของตาจเปเครื่องคุ้มครองใจใจจะไม่เล่นไปทั้งดีใจและเสียใจก็สงบได้ในชั้นหนึ่งในชั้นต่อมาก็คือจิตจะเป็นอัตโนมัติหรือเป็นอัตโนมัติขึ้นในขณะที่ประสบอารมณ์รู้เรื่องของธรรมดาดังกล่าวและประการที่สมก็คือ เนการลดละความยึดถือด้วยอำนาจตันหาวาของเราด้วยอนาจปาณะว่าเป็นเราด้วยอนาทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราให้เจือจางพบาบางลงไปจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรู้รูปได้อย่างลึกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป